เป็นเวลาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมการแสดงธรรมก็เพื่อชี้แจงแนะนำให้เข้าใจในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะทมคำสอนทั้งหมดนั้นจะมีผลประโยชน์เกิดขึ้นก็ต้องนำไปปฏิบัติ การฟังธรรมเพื่อให้เข้าใจเพื่อจำได้ให้ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งเพราะการปฏิบัตินั้นถ้าหากว่าจามาผิดปฏิบัติในทางที่ไม่ถูกผลก็ไม่เคยขึ้นตามเป้าหมายคือควรที่จะสงบก็คงสร้านควรจะมีเมตตาก็าปรปับลายเป็นโกรธ เหล่านี้เป็นต้นเมื่อเกิดความผิดพลาดกันแล้วเพราะฉะนั้นการฟังธรรมจึงควรได้รับการฟังให้ดีให้ถูกให้ต้องและจดจำไว้ไปพินิจพิเคราะห์เมื่อภาวนาไปอันหนึ่งอันใดเกิดมิอุปสรรคหรือภาวนาแล้วไม่สงบจึงค่อยพิจารณากันต่อไป เข้ารรษามาแล้วสามวนพระก็ได้แสดงธรรมในเรื่องอนุสติจบไปบริบูรณ์แล้วตามแนวทางปฏิบัติตั้งใจไม่ว่าในหมวดของกรรมฐานสี่สิบในหมวดใดที่จำเป็น ในการปฏิบัติของสาธิชนจะได้พยายามเอาหมดนั้นนั้นมาแนะนำเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามซึ่งจะได้เป็นประโยชน์ต่อการคองเรือนด้วยและความเป็นอยู่ในสังคมให้ดีอีกด้วยเมื่อได้รับการอบรมทางจิต ได้ดีแล้วในสิ่งแวดล้อมของเราเพราะฉะนั้นวันนี้จึงจะต่อจากอนุสติสิบก็คือพรหมวิหารสี่พรหมวิหารคือธรรมของท่านผู้ใหญ่คำว่าท่านของท่านผู้ใหญ่นี้ก็ตั้งแต่ผู้ปกครองบิดามารดาครูอาจารย์ตลอดถึงประเทศชาติ หรือผู้ที่ยังเป็นผู้น้อยยังไมไ่เป็นผู้ใหญ่ก็ฟังไว้ปฏิบัติไว้จำไว้เพื่อจะได้ระงรับอารมณ์ที่เป็นปฏิปักษ์เช่นความโกรธเกิดขึ้นถึงแม้เรายังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ก็ดับความโกรธให้กับตัวของเราเองพรมะิหารสีเป็นจำเป็นเป็นธรรมะที่จำเป็น ทั้งบรรพชิตและคณะและคนทั่วไปเพราะจะเป็นเครื่องระงับดับกิเลสและเครื่องซ่อมองในเรื่องโทสะเป็นต้นโทสะคือความโกรธนี้เป็นปัญหาไม่ค่อยจบเพราะเป็นความละเอียดอ่อนที่นอนเรื่องอยู่ในสันดานในเมื่อเวลาไปกระทบคือ เห็นการกระทาของผู้อื่นไม่ถูกตาไม่ถูกใจหรือกระทบเราในการพูดเป็นต้นก็จะเกิดเก็บอารมณ์นั้นไว้ในใจของเราคิดต่างๆนานาประการการคิดในลักษณะเก็บอารมณ์นั้นจะเป็นไปทางอกุศลไม่ได้คิดถึงมุมที่จะเขาเกิดความปรารถนาดีกว่าต่อเรา บางทีคําปรารถนาดีต่อเราและเขาเพื่อหวังตรงเคาะเราแต่เราไม่เข้าใจในความเป็นไปก็จะนึกว่าเขาดูถูกเกียดหยามหรืออย่างอื่นอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นได้ถ้าผู้ที่มีสติมีปัญญาจเจริญธรรมคือเมตตาได้ดีพอสมควรแล้วจะเข้าใจและจะเกิดความ ร, รอบคอบ จะเป็นให้ครอบครัวของผู้นั้นอยู่ดีมีสุขอยู่กับเพื่อนบ้านหมู่ดใดคณะใดก็จะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันตลอดจนอยู่ในสังคมใดก็จะเอื้อเฟื้อเอาอเุกข์เช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยน้ากิจที่มีเมตตาเมตตาเป็นธรรมที่สำคัญมากเป็นที่ปรารถนาของคนทั้งปวงวิธีการปฏิบัติในเมตตา ให้พึงเข้าใจว่าพรหมวิหารคือธรรมของท่านผู้ใหญ่สีประการคือเมตตาปรารถนาจะให้ผู้อื่นเป็นสุขกรุณาเพื่อให้ผู้อื่นพ้นทุกข์สองอย่างนี้จะสังเกตโดยความเป็นของใกล้กันเมตตาหวังจใจผู้อื่นเป็นสุขแต่กรุณาให้เขาพ้นทุกข์หมายความว่า เมตตาคือให้ผู้ที่อดคนอื่นโดยทั่วไปมีความสบายกายมีความสบายใจมีความสุขใจแต่กรุณาหมายความว่าในเมื่อผู้อื่นมีความเดือด ร, ร้อนประการหนึ่งประการใดหาอุบายหาวิถีทางช่วยเขาให้พ้นทุกข์นี่คือกรุณาข้อนี้จะต้องจำให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าอันนี้เป็นเมตตาหรือเป็นกรุณา ในธรรม ะ, ะแสดงไว้มากแต่ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะให้เห็นเรื่องการปฏิบัติโดยตรงซึ่งความจริงแล้วไม่ยากนกะในการภาวนาบามวดยังยากกว่ากันและมีประโยชน์แต่ตนเป็นประการแรกก่อนการที่เราจะเจริญเมตตาภาวนาเมตตาภาวนานี้มีพลังถึงสมาธิถึงฌานอย่างน้อยที่สาม ถ้าหาว่าเขาเบกขาถึงชาญที่สี่ผู้ที่มีกิจได้ระดับดีแล้วจะเป็นคนที่มีจิตใจอารมณ์ร่มเย็นมีเมตตากรุณากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่เบียดเบียนตึงกันละกันและเป็นผู้ที่มีความอภัยและอดทนด้วยดีเสมอบุคคลที่จะเจริญเมตตาได้ต้องรู้หนึ่งโทษของความโกรธ สองคุณของความดีคือขันติได้แก่ความอดทนทั้งสองประการนี้เพราะมเมตตานั้นเป็นเครื่องระงับดับความโกรธเราจะดับความโกรธให้ได้ง่ายๆและจะดวกสบายขึ้นก็ต้องเห็นโทษของความโกรธก่อนถ้าเราเคยโกรธมาแล้วในครั้งข่าวใดหุนแรงเราขอยราองสเกตดูว่านในขณะนั้น ถ้าเราลองจาได้จะาทำอะไรไปรับพูดอะไรไปเราแสดงอะไรไปแล้วมาคิดในขณะที่เราไม่โกรธว่าที่ทำไปนั้นดีหรือไม่ดีมีทุกข์มีโทษอย่างไรที่พูดไปนั้นกิิยาที่แสดงไปนั้นก็เช่นเดียวกันหาเหตุแห่งความไม่ดีให้เห็นชัดว่าความโกรธขึ้นแล้ว มีอาการเป็นอย่างนี้ทำไม่ดีอย่างนี้พูดไม่ดีอย่างนี้คิดไม่ดีอย่างนี้มีกิริยาวาจาไม่ดีอย่างนี้เมื่อความไม่ดีแล้วก็ทำให้เกิดความซ้ำหมองกันแม้อยู่ด้วยกันก็ซ้าหมองไม่สบายกายไม่สบายใจขัดแย้งกันอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านก็ทำให้เป็นเหตุให้เกิดการขัดแย้งกับเพื่อนบ้าน อยู่ร่วมชาติร่วมประเทศก็เป็นเหตุให้เกิดการแตกแยกต่างๆนาน า, นานาประการเพราะฉะนั้นคนโกรธกันนั้นไม่ดีเลยไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่จะให้เกิดความดีงามขึ้นหาความถูกใจความ ร, ราบรื่นอย่างแท้จริงไม่ได้ถ้าลองมาเพ่งดูพิจารณาอีกมุมหนึ่งของการไม่มีโกรธกับใค ร, ใคร เราไม่เคยมีขวดกับ้ครๆเลยไปที่ไหนก็รู้จักกันอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็รู้จักกันด้วยน้ําผิดน้ําใจอดีงานความสุขจะเกิดขึ้นความสบายใจจะเกิดขึ้นความผองแผ่จะเกิดขึ้นไม่มีเวรไม่มีจะตรูกับใครๆย่อมเป็นความผาสุกอย่างนิ่ง เพราะเหตุแห่งเมตตาธรรมตรงันข้ามถ้าหากว่ามีไม่มีเมตตาก็จะมีโทสะมีโทสะมีความโกรธมีความปะสุทธให้มีพยาบาทมีปฏิฆะคือความหงุดหงิดทางด้านจิตใจมีมีการเก็บอารมณ์แห่งความโกรธไว้เหล่านี้เป็นต้นล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องเผาในภายใน ในจิตใจของตนเองให้เกิดความมัวหมองให้เกิดความเดือดร้อนมาเปล่าบางทีเราไปเข้าใจผิดเห็นการกระทําการพูดของเขาเนึกว่าเขาเบียดเบียนเราแต่ความจริงเขาไม่ได้เบียดเบียนเราเรามาคิดเองเลยเป็นทุกข์เองและมาเดือดร้อนเองเมื่อโกรธเองและมาเมื่อกวนกวายเองไม่ดีเองเมื่อพยาบาลเองเพราะฉะนั้นความโกรธ ความมรุสุร้ายความเบียดเบียนซึ่งกันและกันความพยาบาทซึ่งกันและกันที่เกิดขึ้นเพราะใจของเราประยุทธ์ถือเอาในสิ่งนั้นไว้อันนี้เป็นสิ่งที่สาคัญเพราะฉะนั้นเครื่องสมองต่างๆเหล่านี้จะพึงพยาฝึกฝนอบรมจิตของตนเองนั้นไม่ยากเกินไปเป็นของที่ไม่ยากแต่พึงรู้จักวิธีการประการแรก ที่เราจะเจริญเมตตาต้องพึงเข้าใจก่อนว่าคำว่าเมตตาปาถนาใช้ผู้อื่นเป็นสุขมีสองอย่างด้วยกันคือหนึ่งโอทิตตภารณาแผ่เมตตาโดยเจาะจงให้คนนั้นให้หมู่นั้นให้คณะนั้นเรียกว่าเลือกบุคคลประการที่สองอานทิตภารณา แผ่โดยไม่เจาะจงไม่แก่แผลให้กับตัดทั้งหลายโดยทั่วไปในบางแห่งประเภทนี้เขาเรียกว่าอัปปมัญญาแต่อัปปมัญญาทำยากเมตตาอัปปมัญญาทายากกรุณาอัปปมัญญาทำยากคือว่าต้องเข้าฌานแผ่เมตตาต้องเข้าฌานแผ่กรุณาแต่ส่วนเมตตาพริหารไม่ต้องคือตั้งจิตตั้งใจ ฝึกฝนอบรมใจของเราให้สงบดีแล้วก็แผ่เมตตาทีนี้ครั้งแรกทีเดียวในการที่เราจะแผ่เมตตานั้นเราต้องทําให้ถูกจึงมีปัญหาคือว่าครั้งแรกที่เราจะเริญเมตตานั้นควรแผ่เมตตาให้กับใครเป็นคนแรกก่อนในข้อนี้ที่เราสวดกันอยู่ทุกวันว่าอ่างทุกิโตโหมิขอให้เราเป็นสุขก็เป็นอันว่า การแผ่เมตตาขั้งแรกนั่นคือแผ่ให้กับตัวเองก่อนคนอื่นทําไมหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้กล่าวได้แสดงธรรมกับพระเจ้าปเสนนิโกศลที่เห็นว่าพระเจ้าปเสนนิโกศลมีความเคารพมีความรักในพระผู้มีพระภาคเจ้ามากจะไปไหนเยยบเยียนประชาทน ออกรบพับจับถึกตองแวววัดพระเชตวันกราบฝาบาทของพระศาสดาก่อนของพระศาสดาก่อนคราวหนึ่งพระองค์ทรงถามถึงความที่บุคคลทั้งหลายว่าสิ่งคนบุคคลทั้งหลายนั้นใครที่จะเป็นที่รักของตัวของเรา ในที่สุดก็ได้ฟรามที่พระองค์ทรงจัดว่าสิ่งที่เรารักมากที่สุดไม่ใช่คนอื่นคือตัวเราเองถึงแม้เราจะพิมีผู้อื่นเป็นคนรักทนุถนอมเพียงใดก็าตามแต่ยังมีความรักน้อยว่าตัวของเราลองคิดดูให้ดีเล็กๆ ด, ดูให้ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเรารักตัวเราเองมาก เราเกลียดอะไรเราก็เกลียดคนที่ผู้อื่นทำให้เราเดือดร้อนคนที่มาเบีเยดเบียนเราคนที่กันแกร้งเราคนที่อิจฉาเราคนที่ใครให้ร้ายต่อเราคนที่มาทำไม่ดีไม่ร้ายแก่เราตลอดจนโจรที่มาต้นมาโกงอะไรทิงต่างๆกับเราคนเหล่านี้เราไม่ชอบทังนั้นที่ไม่ชอบเพราะอะไร พเพราะเราต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์ข้อนี้จึงเป็นจุดที่สำคัญเมื่อเรารักสุขเบียดทุกข์ก็ต้องพิจารณาเห็นตามความเปจริงว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าใครเท่านั้นย่อมรักสุขเบียดทุกข์แม้มดตัวเล็กน้อยเหลือบยุงลิ้นไหลถึงแม้มันจะมาเบียดเบียนบางสิ่งบางอาการเพราะมารักสุข เกลียดทุกเวลามันหิวมันทุกมันต้องมาหากินเช่นยุงเขาต้มากัด ม, มดต่างต่างก็มารบกวนอาหารและอื่นๆเป็นต้นพอมันทุกข์จึงก้องเที่ยวจะแยวงหามนุษย์เล่าก็นเหมือนกันเมื่อพิจารณาเห็นว่าเรารักสุขอย่างนี้ผู้อื่นเขาก็รักสุขอย่างนี้เหมือนกันเราเกลียดทุกข์อย่างนี้ผู้อื่นเขาเกลียดทุกข์อย่างนี้เหมือนกัน พิจารณาดูเพียงเท่านี้ไม่ันจะเพ่งไปภาวานาอะไรให้เห็นชัดในการเรารักสุกเกียดทุกข์ให้เห็นชัดผู้อื่นเขาก็รักสุกเกียดทุกข์เหมือนกันนี่คือมูลเหตุต้นเหตุของเจริญเมตตาเมื่อมูลเหตุต้นเหตุเจริญเมตตาในครั้งแรกคืออื่นและครั้งแรกที่ถุดอย่าไปไอย่าเพิ่งทําแก่ผู้อื่นเมตากับตัวเองการเมตตาตัวเอง มีคำภาวนาว่าอย่างไรง่ายๆเราก็ได้ทุกคนแล้วคืออ่างสุกิโตโหมิดุกทิโตดุกทิโตโหมิเป็นต้นเพียงคำสองข้ามก็ได้ขอให้เรามีความสุขขอให้เราอย่ามีความทุกข์แค่นี้นึกไว้ในใจแล้วก็พิจารณาไปให้เห็นว่าเรารักสุเกียดทุกข์ และเราไม่ต้องการเบียดเบียนตัวใครขอให้เรามีความสุขเราอย่ามีความทุกข์เราอยา่ า, า, ยามีเราจงมีความสุขเราอย่ามีความทุกข์เราจงมีความสุขและเราก็ตั้งใจว่าเราจะไม่เบียดเบียนใครไม่จะไม่ทำร้ายใครและอื่นอื่นอีกเป็นต้นเพราะเรารักสุขเราเกลียดทุกข์คนอื่นเขาจะเหมือนกันพิจารณาดูให้ดี ด, ดูให้บ่อย ทำให้มากๆเข้าจิตเมื่อถูกฝึกมากมากเข้ า, ก, า, ก, า, ก, ขาก็จะประณีขึ้นเห็นขึ้นเห็นแจ้งชัดขึ้นถึงแม้เรายังไม่ได้ภาวนาในเรื่องเหล่านี้เลยเพียงกล่าวขึ้นเราก็รู้เดี๋ยวนีว่าแม้เราก็พึงปรารถนาอย่างนั้นเหมือนกันแต่ยังไม่ประณีบางครั้งบางทีเผลอขึ้นก็อาจจะมีอารมณ์ตรงกันข้ามจนคําว่าลืมที่เรารักถูกเจ็ดทุกข์ คนอื่นเขาว่าเราถูกเหยียดถูกเหมือนกันบางทีเราก็พลางพาดไปแต่ถ้าหากว่าเราภาวานาและนำมาพิจไว้บ่อยๆพิจณาไว้บ่อยๆให้มากๆขึ้นจิตใจของเราจะดีขึ้นจิตใจดีขึ้นมีเมตตาขึ้นมีความสงสารขึ้นมีความเอ็นดูขึ้นและมีความปรารถนาตึงการันในความมิตร มีความปรารถนาทำดีซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันค่อยๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นในจิตใจของเราเมตตาเป็นอย่างนี้ในลักษณะดังกล่าววันนี้มาเกิดขึ้นแล้วจะเป็นเหตุให้ผู้อื่นเมตตาต่อเราด้วยเราก็จะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครๆเพียงจะว่าอ่างังทุกิโตโหมีนิทิโคโห้มีขอให้เรามีความสุขอย่าให้มีความทุกข์ แต่ละบทละบทะบทไหนก็ได้สุกทีอาจารย์นางบริหารตุก็ได้บทไหนก็ได้แต่ขึ้นตนว่าเป็นเราก่อนเพราะการแผ่เมตาตาท้อง เ, เราที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระปเจนทุกโต น, นว่าแท้จริงคนของเราคนทั้งหลายนั้นรักตนเองมากที่สุดห่วงตนเองมากที่สุดและปัจจณาจดหาความสุขให้กับตนมากที่สุด จึงเป็นอันว่าการแผ่เมตตาต้องแผ่ให้เราก่อนคือตัวเราเองก่อน <c oughs> ถ้าเรานั่งใบบนเครื่องบิน <c oughs> เคยเห็นเจ้าหนะ้าที่บอกว่าถ้าอากาศเกิดวิบลิหายใจไม่ค่อยออก <c oughs> เครื่องที่จะทำช่วยอากาศตกลงมาให้พึงพยายามทำให้แกตัวเราเองก่อนแม้มีลูกน้อยก็ทำพ้ธีหลัง ทำให้ตัวเองก่อนแล้วม่อช่วยลูกเหมือนกับบทเมตตาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เพราะเมื่อทำให้ตัวเองก่อนแล้วเราก็จะมีกำลังถ้าหากว่าไปทำให้โทษอื่นก่อนเราไม่มีกำลังและอาจจะพังพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นี่เป็นข้อเปรียบเทียบการแผ่เมตตาให้กับตนเองก็คือการสร้างสมคุณงามความดีได้แก่เมตตาจิตจะไม่เกลียดผู้อื่น จะไม่รังแกผู้อื่นจะไม่ทำให้ผู้อื่นรับความเดือดร้อนมาจากเมตตาธรรมเพราะฉะนั้นเราปรารถนาให้ผู้อื่นมีเมตตาต่อเราเราต้องทำตัวเองเราให้มีเมตตาก่อนเมื่อเรามีเมตตาก่อนแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดความอนุเคราะห์ส่งเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันแลกันดังกล่าวมาอันนี้เป็นประการตนประการที่สอง เมื่อเราแผ่เมตตาเมื่อเมื่อเราจะเริ่มแผ่เมตตาที่แรกเมื่อเรายังไม่รู้ว่าจะแผ่ใครก่อนนั้นห้ามแผ่เมตากับคนเหล่านี้คือหนึ่งคนที่เราเกลียดสองคนที่เรารักสามคนที่เป็นกลางที่คนที่เบียดเบียนที่คนที่เป็นเพื่อนอย่าเพิ่งแผ่ให้แก่คนบวเหล่า น, านี้แต่ไม่ใช่ดังเกลียด เพราะว่าถ้าเราไม่มีเมตตาฝังอยู่ในตัวเราเออเราเลยไม่มีคุณธรรมที่เมตตาไปแผ่ให้คนที่เราเกลียดคิดไปคิดมาพิจารณาไปคิดจะมามาเดี๋ยวว่าเห็นว่าคนคนนี้เคยทำไม่ดีกับเรามากไม่น่าที่จะแผ่เมตตาให้เขาเลยมีเรื่องเล่าอยู่ในเนั่งถือกฎของกรรมบทหนึ่ง ครอบครัวหนึ่งเหลือบิดากับลูกชายอายุประมาณก็สิบสามสิบสี่ขวบ1ิบ้านสี่ปีภายหลังไม่มีเงินทองนำที่ไล่ที่นาที่บ้านของตนไปจำนำไห้กับบ้านกำนันต่อมาขาดอายุความกำนันเข้ายึดทันที ต้องรีบขนย้ายออกไปสมบัติตอนนี้ก็มีสิ่งเล็กๆน้อยๆเครื่องหม่มเครื่องนุ่งหม่มและเรือแจวลำ น, น้อยๆลำหนึ่งไม่รู้จะทำอย่างไรก็เก็บของเหล่านั้นลงเรือไปแจวไปหาบ้านไปที่บ้านญาติที่อยู่ไกลและไปขออาศัยญาติอยู่ก็ช่วยงานทาบ้านญาติพอสมควร วันหนึ่งแกลเรือไปทากิจเขาแกลเรือริมิฝั่งในขณะนั้นเกิดลมพายุรุนแรงขึ้นแต่ตัวเาเองอยู่ใกล้ฝั่งก็ไม่เป็นไรในท้องน้ำคือในแม่น้าใหญ่เกิดมีะระลอกขึ้นในขณะนั้นเรือรือสารลาหนึ่งมีคนมาเต็มแนละสิ่งของเต็มจึงเพียบคันมาโดนพายุรุนแรงเข้าเรือก็คว่าเรือก็จม เมื่อเรือคว่ำเรือขจอมคนผู้พ่อก็บอกกับลูกว่าเราเสี่ยงออกไปกลางแม่น้ำเพื่อช่วยเหลือคนพอไปถึงกลางแม่น้ําเด็กลูกชายก็บอกว่าพ่อไอ้เจ้ากวามนั้นนั่นจะจมน้ําตายอยู่แล้วปล่อยให้มันจมนเลยออย่าไปช่วยมันมันเคยเยี่ยมปวดกับเรามามากแล้วพ่อบอกว่าลูก นั่นเป็นคนละเรื่องกันเวลานี้หน้าที่ของเราต้องช่วยไม่ใช่ไปดังเกียดกันเขาก็จะเป็นใครกว่าตามหน้าที่ต้องช่วยแล้วในที่สุด ก, ก็ช่วยกันมันเข้าฝั่งอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าหากว่าการไปพิจารณาถึงคนที่เกลียดเป็นคนไม่ชอบกันนั้น จะมีอุปสรรคทางด้านจิตใจถ้าหากไม่มีสติปัญญาพอกลับจะปล่อยทร้ายถทับผมอะไรหนักไปอีกก็ได้ท่านยิงกล่าวว่าในเบื้องต้นอย่าเพิ่งแผ่เมตตาอยู่กับคนเหล่านั้นเพราะจิตของคนเราย่อมแปรป่วนส่วนท่านหลักพ่อ น, นั้นเป็นคนใจดีแล้วเป็นคนที่ปรงตก ในความเป็นไปทัาบปวงได้แล้วจึงตัดใจได้นี่เป็นข้อเปรียบเทียบมายกให้ดูทวนคนที่รักกันถ้าหากว่าไปแผ่เมตตาให้คนเหล่านั้นก่อนไม่แผ่ตัวเราเองก่อนจิตของเรายังไม่รู้ความดีออความเมตตาเมื่อเห็นคนที่เรารักมีทุกข์อะไร ก็จะเกิดความเสียใจตามเข้าไปด้วยอยู่ดีๆก็เสียใจตามเข้าไปด้วยไม่ใช่เรื่องราวของเราก็เสียใจตามเข้าไปด้วยเหล่านี้เป็นต้นประการที่สามอย่าเพิ่งแพรไปให้คนที่อย่งกลางๆหือคนเหล่านั้นก็อาจจะยังไม่รู้ไมช่ชี้หรือว่าเขายัางจะไม่คิดอะไรกับเราก็ได้ยังไม่จําเป็นอย่างยิ่งแลกแพรกับคนที่ไม่ดีในเบื้องต้น ก็อย่าเพิ่งทำจึงควรเว้นคนเหล่านี้และอีกประการหนึ่งที่สำคัญคือห้ามแผ่ก่อนเด็ดขาดหรือบางอย่างห้ามแผ่ตลอดไปคือหนึ่งคนตายไปแล้วอย่าไปแผ่เมตตาทวนทำบุญนั้นอุทิศไปให้อุทิศบุญไปให้ไม่ใช่เมตตา มีพิสูรรูปหนึ่งเมื่อไดเรียนเมตตาธรรมจากอาจารย์แล้วก็นึกถึงอาจารย์เก่าแต่อาจารย์เก่านั้นตายไปแล้วจึงตั้งใจแผ่บุญกุศลแผ่แผ่แผ่แผเมตตาจิตปรารถนาดีกับอาจารย์เก่าของตนเพราะปรารถนาดีกับอาจารย์เก่าจะมีผลอะไรเพราะท่านตายไปแล้ว ทำไปเท่ไรเท่าไรก็ไม่ได้ผลคือไม่ได้ความชื่นชื่นใจไม่ได้ทำให้จิตใจมีเมตตาเลยจึงไปถามอาจารย์ที่ให้กรรมฐานอาจารย์คาให้กรรมฐานก็ถามว่าเราแผลแพ้ใครบ้างแผลจริงพิสูรรูปนั้นก็ไม่ได้แผลให้ตัวเองก่อนเลยด้วยความเมื่ถึงอาจารย์นึกแผลอาจารย์ก่อนถามว่าอาจารย์ของเธอไปไหนก็บอกตายไปแล้วไม่ได้ แผ่คนที่ตายไปแล้วไม่ได้ภาพเป็นการแบ่งส่วนบุญกุศลที่อุทิศให้างา น, นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแผ่เมตตาจิตเพื่อให้คนเพราะเมตตานั้นเพื่อให้หวังเขาใ ห, ให้ขอคนทุกเขาจะพ้นทุกประเดี๋ยงเขาตายไปแล้วอีกประการหนึ่งแผ่ไปให้ขับคนที่รักกันเฉพาะอยบอั บ, อบแผ่ไปให้คนต่างเพศที่รักกัน ยิ่งไปกันใหญ่คือหมายความว่ากับเกิดกิเลสราคะเข้าแทรกแซงทำให้จิตใจเกิดความเล่าร้อนและมุ่งเอาอกเอาใจกันอีกต่างๆนาน า, น า, นาประการจนในที่สุดก็คือไม่เป็นธรรมไม่เป็นเมตตาที่บริสุทธิ์เป็นเมตตาที่อิงราคะเป็นเมตตาที่อิงอาุโสนธรรม ท่านจึงกล่าวว่าบุคคลเหล่านี้ยังไม่ควรแผ่เมตตาคนตายไปกับคนที่รักที่เพศเป็นเพศตรงข้ามอย่าแผ่เมตต า, ากับคนเหล่านั้นจะเป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นมาแทรกแซงในสองจำพวกคือคนต่างเพศที่รักและคนตายอย่าไปแผ่เมตตาและส่วนคนอีกสีประเภทดังได้กล่าวมาแล้วนั้น เมื่อแผ่เมตตาให้กับตนดีแล้วจึงค่อยแผ่เมตตาให้กับคนเหล่านั้นจะเป็นคนที่เราเกลียก็ตามจะเป็นคนที่เรารักก็ตามจะเป็นคนที่เป็นกลางกลางเขตามจะเป็นคนที่เคยทุทร้ายก็ตามแผ่ให้คนเหล่านั้นเมื่อเรามีจิตใจมั่นคงดีแล้วจิตใจของเราจะไม่แปรปรวนจะเกิดความมั่นคงนั่นแผ่ให้เมตตาในภายหลังเพราะฉะนั้น การแผ่เมตตาในขั้งแรกจริงต้องแผ่เมตตาให้กับตัวเองแล้วก็วิธีการก็ง่ายๆอ่งทุกิโตโหมินิจุโคโฮมิขอให้เรามีความสุขขอให้เราพ้นจากทุกข์อันนี้ไม่ใช่บวงสรวงอ้อนวอนแต่นึกว่าที่ว่าขอให้เรามีความสุขนั้นเราต้องรู้ความจริงว่าเราอย่าไปทำทุกข์ให้กับคนอื่นเขาอย่าไปเบียดเบียนเขาอย่าทาร้ายเขา หรือเข้ามาทำร้ายเราเราอย่าตอบทำร้ายเขาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพิสุขว่าเขาด่ามาอย่าด่าตอบเขาทำร้ายมาอย่าทำร้ายตอบเมื่อเขาด่ามาไม่ด่าตอบเขาทำร้ายมาจะไม่ทำร้ายตอบมันก็จบเรื่องแค่นั้นถ้าหากว่าเราไปทำตอบเรื่องก็าบานปลายใหญ่โตออกไปอีกจะเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมซึ่งซึ่งกันและกัน และอื่นอีกมากมายในการที่เบียดเบียนซึ่งกันรายการนั้นน <c oughs> ะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจของเรามีความมั่นคงนี่แล้วแผ่ไปให้คนที่เคยเกลียดก็นึกถึงสิ่งที่อย่าไปนึกถึงสิ่งที่จะทำให้เราเกลียดนึกถึงสิ่งที่เขาเคยทำดีกับเราหรือดีก่ส่วนรวมหรือดีกับนคนอื่นก็ได้ให้เกิดมให้เกิดความรู้สึกว่า คนคนนี้เขาก็มีความดีเมื่อคิดถึงเขาเมื่อมีความดีถึงใดความที่เคยเกลียดก็เขาจะหายไปส่วนคนที่ว่าที่คนที่แพร่ไปให้คนรักหมายความว่ารักนับถือเช่นผู้ใหญ่พ่อแม่ปรูญาตายายครูบาอาจารย์เมื่อมีจิตระลึกถึง แผ่เมตตาแะเรียกถึงกับบุคคล น, น, นั้นด้วยเมตตาจิตท่านครลนั้นไปอยู่ที่ไหนขอให้เขาเป็นสุขครูอาจารย์อยู่ที่ไหนขอให้ครูอาจารย์เป็นสุขขอให้ครูอาจารย์อย่าเป็นทุกข์เหล่านี้เป็นต้นเรียวกว่าแผ่เมตตาในระดับต่อไปจึงรวงความว่าเมตตาธรรมมีคําสอนว่า เป็นธรรมคุ้มครองคําจุนจัดโลกไม่ให้เกิดความเดือดร้อนและหวั่นไหวด้วยประการต่างๆในพระพุทธศาสานาพระศาสาดาทรงสอนพิสูจน์ที่คาบอยู่ในป่าที่มีอันตรายจาัตัดบ้างและอื่นๆบ้างอย่างเช่นพระปุณณะ ท่านลาพระผูมีพระพภาพเจ้าจะไปอยู่เมืองนาปรันตะซึ่งเป็นเมืองที่คนดูร้ายพอพระอุณนะไปกราบเรียนพระพุทธเจ้าว่าจะออกตุดวงไปอยู่เมืองนาปรันตะพระพุทธองค์ทรงจัดถามว่าชาวเมืองนั้นได้ทราบว่าเขาดูร้ายไม่ใช่หรือท่านก็ทูลอย่างนั้นจริงพระพุทธเจ้าจึงตั้งปัญหาว่า คนเหล่านั้นเมื่อคุณไปถึงแล้วเมื่อเธอไปถึงแล้วเข้าด่าเธอเธอจะทําอย่างไรท่านเขาบอกว่าเขาด่าเราก็าดีกว่าเขาตีเร า, าพระพุทธเจ้าตอบพระพุทธเจ้าจะถามเขาว่าถ้าเขาตีเธอเธอจะทําอย่างไร พระปุนณะก็ตอบว่าเมื่อเขาตีเราเราก็หยุทคิดว่าดีกว่าเขาฆ่าเราพระพุทธเจ้าจัดถามต่อไปอีกว่าเมื่อเขาฆ่าเธอเธจะทําอย่างไรพระปูนณะกทูลตอบว่าเมื่อฆ่าเราไม่ตายก็ดีเกว่าก็ดีกว่าเขาฆ่าตายพระพุทธเจ้าจัดถามต่อไปว่าเมื่อเขาฆ่าเธอตายเธอทําอย่างไรพระปูนณะกทูลตอบว่าเมื่อข้าตาฆ่าฆ่าเราให้ตายแล้วก็นึกถึงว่า คนอิ่บไปจำนวนมากต้องฆ่าตัวเองตายนี่ตัวเองไม่ต้องฆ่าตัวเองเลยคนอื่นก็ฆ่าตายดีนักหนาแล้วพราผู้มีพระพ่าเจ้าตัดว่าถ้าเช่นนั้นเธอจะไปอยู่เมืองเช่นนั้นได้ถ้ามีความบันริคิดอ่านแบบนี้ไม่ผูกเวรกับใครใครเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมตตาถึงแม้จะอยู่ในภาวะใดๆควรเรียนรู้ ควรภาวนาวอบรมไว้ให้จิตของเราทราบทึงด้วยเมตตาแล้วเราก็จะเมตตาอนุเคราะห์และเมื่อชำนิชำนานให้อชทิธภารณนาคงเ ค, เคยส่งเคาะลูกส่งเคาะหลานส่งเคาะปู่ย่าตายายหรือพวกญาติคนใกล้คิด ต, ต่อไปมีกำลังแก่กล้ามากขึ้นก็แผ่เป็นอนุชิตภารณนาคือแผ่ไปคนต่าง ห่างไกลมากยิ่งขึ้นรู้จักมากรู้จักน้อยหรือไปเห็นใครและทสงสารอย่างใดอย่างหนึ่งก็แผ่เมตตาเหล่านี้จะทำให้จิตใจของเราดีขึ้นกว้างขวางขึ้นการแผ่แผ่แผ่เมตตาโดยเจาะจงมีกำลังแรงแต่แคบเพราะอยู่ในกลุ่มยังผู้ที่ไม่ถูกผู้แผ่เมตตาอาจจะมีอาจจะเป็นศัตรูกั น, กนได้ แต่ถ้าหากว่าแพดโดยอ น, นุทิฏฐารณาคือหมายความว่าโดยทั่วไปก็จะเป็นเหตุให้จิตใจกว้างแต่มีอาจจะมีกำลังอ่อนกว่ากันแต่ให้ผลประโยชน์ก็คือทำอยู่บ่อยๆจะทำให้ไม่เป็นศัตรูกับใครๆทั้งสองประการนี้ควรฝึกฝนเบื้องต้นในโอทิฏฐารณาแพดโดยเจาะจงดังในกา่าวมาแล้วเฉพาะยิ่งอย่าลืมแพให้กับตัวเองก่อน ให้ตัวเองสมมึกในความสุขให้ตัวเองสมมึกในความทุกข์ให้ตัวเองสมิึกถึงในความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเราเกลียดคนเบียดเบียนเราเราเกลียดคนที่กล่าวโทษหาเรื่องใส่เราคนอื่นเขาก็เหมือนกันเขาก็เกลียดเหมือนอย่างเราเหมือนกันเหมือนกันฉะนั้นเพราะฉะนั้นจใจได้เห็นคุณเห็นภูษ์เห็นโทษต่างๆน า, นานาประการ แล้วก็จะทำให้จิตใจเกิดความมั่นคงจึงรวมความว่าเมตตาธรรมเป็นธรรมะที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่งพระในยุคสมัยพุทธกาลถึงแม้จะมีคำภาวนาอย่างอื่นปฏิบัติอย่างอื่นเขาก็ต้องมีเมตตาธรรมไว้เป็นวิหารธรรมวิหารธรรมคือทำไว้เป็นประจำวันไว้ บ, บ่อยๆจิตใจจะเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันพึ่งเห็นในสารานีธรรมสูตร เมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามนโนกรรมพระผู้ที่ชอบกรุณาสอนให้พิจูชนหลายมีเมตาตาด้วยกันเลยกันเพราะการมีเมตตาพวกร่วม ก, กันจะอยู่ด้วยกันอย่างพราสุดังกล่าวมาจึงรวมความว่าการฝึกเมตตาธรรมคือมุ่งอเอาตัวเราเองก่อนสิ่งที่เป็นคถ า, าหรือเป็นอารมณ์เจนวิถึงก็คืออะฮั่งทุกิโตโหมิขอให้เราเป็น ดุคิณตุโคโฮมิขอให้เราอย่ามีทุกข์เพียงสั้นๆชรวนี้ก่อนพิจารณาบ่อยๆพิจารณาค่อยๆซึ้งขึ้นแล้วคุณธรรมคือเมตตาก็จะเกิดขึ้นต่อ น, นั้นจึงแผ่ให้บุคคลอื่นในการต่อไปดังนี้จึงรวมความว่าเมตตาพรมิหาร เป็นธรรมที่ควรศึกษาและควรเจริญไว้เพื่อเป็นวิหารธรรมหรือเพื่อเป็นคุณธรรมประจําไว้ในชีวิตของเราเราจะอยู่ในฐานะใดใช่อยู่ในฐานะพ่อแม่เราก็จะมีเมตตาที่ถูกกับลูกถ้าหากว่าเป็นฐานะที่ผู้นําเราก็จะมีเมตตากับผู้ที่เป็นบริวารด้วยความปรารถนาดี เหล่านี้เป็นต้นจึงนับว่าเมตตาธรรมเป็นธรรมที่ควรปลูกฝังให้เกิดไว้เป็นนิดในจิตใจของตนจะได้เกิดความร่มเย็ยนเป็นถูกไม่เบียดเบียนถึ่กันละกันพร้อมทั้งพรานภาพแห่งบุคคลผู้มีเมตตานั้นที่ท่กล่าวไว้มีอนิสงส1 1ประการคือรับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายไปไม่ไหม้ไม่เดือดร้อนด้วยประการต่าง และชีวิตที่มีจิตใจที่มีเมตตานี้ตายแล้วเกิดในพรมโลกเป็นที่สุดผู้ที่มีเมตตาจึงเป็นสิ่งอันจึงมีคุณสมบัติในจิตใจอันบะเสิดดังนี้เพราะฉะนั้นท่านสารุชนที่ได้ฝึกกรรมฐานบทใดก็ตามพึงรู้จักฝึกเมตตาจิตให้กับตนไว้ในใจด้วยไวเป็นพื้นฐานมากบ้างน้อยบ้าง บ, าง บ, างบอสมควร แล้วจึงค่อยฝึกกรรมฐานที่เป็นหลักที่เป็นประจำเพื่อหาความสงบถูกให้ยิ่งขึ้นและต่อต่อไปความถุกความที่จิตมีเมตตาเป็นพื้นเพก็จะมีพลังมากยิ่งขึ้นตามอีกด้วยที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าพระรูปหนึ่งซึ่งท่า น, วนเวลาออกบิณฑบาตท่านจเจริญเมตตาจิตก็เรียกเมตตาฌาน คำว่าเมตตาชานี้ก็ไม่ใช่ว่าจะยากเกินไปคือเพียงแต่ว่าท่านปรารถนาดีหวังจะให้ผู้ที่ใส่บาตนั้นได้บุญมากขึ้นท่านก็ทำจิตของตนเองให้ผ่องแผ้วและเมื่อจิตของท่านผ่องแผ้วสงบดีแล้วใช้ความสงบนั้นแผ่เมตตาจิตถึงกับผู้ที่ใส่บาต ท, ท่านก็จะเป็นเหตุให้ เป็นปฏิชาโคขือผู้รับได้แสดงคุณงามความดีตอบด้วยน้ำจิตน้ำใจถึงแม้ไม่ได้กล่าวอะไรออกมาแต่ด้วยอำนาจทางจิตก็จะเป็นเหตุให้ท่านได้รับความเคารพได้รับความนับถือกับผู้ที่ร่วมทาบุญกับท่านเหล่านี้เป็นต้นอีกประการหนึ่งถ้าหากว่าท่านผู้จิต อย่างเดียวด้วยเมตตาธรรมจนจิตของท่านชุ่มอิ่มเปี่ยมไปด้วยเมตตาแล้วเป็นสมาธิเกิดขึ้นใหม่ๆจิตที่นึกถึงความสุขที่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นอารมณ์เกิดขึ้นใหม่ๆจะมีความสุข ก, กับกจิตของเราเองเป็นอันมากความสุขที่เกิดขึ้นนั้นนั่นคือคุณธรรมที่ให้เกิดฌาน ในแก่ความนึกถึงถึงความอหังทุกิโตโหมิขอให้เรามีความทุกนิจุโคโหมิอยากมีความทุกชาญเกิดขึ้นแล้วให้มีความสุขไม่มีความทุกข์และเมื่อเกิดขึ้นจนชันนิชำนานมากมากแล้วก็แพ้ออกไปยังผู้อื่นช่วยเหลือซึ่งกันและกันนางกล่าวมารพระพิสุปเป็นจํานวนมากที่ได้ฝึกฝนอบรมในเรื่องเหล่านี้ไว้เป็นวิหารธรรม แม้จะเบื้องต้นยังไม่ชมนานาญหรือชนานาญแล้วก็ตามการแผ่เมตตาจิตทําหรับพระเช่นจะออกวินาบาตเป็นต้นตั้งจิตของตนเองปราถนาะไว้ในให้เผอถ้ารวมอยู่ในเมตตาจิตและถ้าหากว่าถึงคราวจะให้พรก็ให้พรด้วยความตั้งใจที่มีเมตตาเมื่อให้พรเสร็จแล้วจะเดินก็เดินด้วยเมตตา เมื่อจะรับกระรับด้วยเมตตาเมื่อจะให้พรก็ให้พรให้เมตตานับว่าทําฝึกไว้บ่อยๆก็ใจย่อมเย็นขึ้นสบายขึ้นและอิ่มขึ้นตลอดจนตั้งมัน่นเป็นชาญต่างๆถ้าเป็นได้เดียวๆก็ดีกว่าตัทางขะชาญหรือคะนิกะชาญ ถ้าว่าชำนานมากขึ้นก็เป็นอุปจาระฌานถ้าว่าชำนานโดยแน่วแน่ก็เป็นอัปปานาฌานรวนแล้วแต่เป็นปัจัยฐานที่จะให้เกิดวิปัสสนาความเห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงอีกต่อไปเป็นทางไปเพื่อความหลุดพ้นเป็นไปเพื่อกัดจัดกำจัดกิเลสกองทุกเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะมากที่ถุดก็ผู้ที่ มีโทจะโทสจริตเป็นพื้นฐานหรือผู้ที่ไม่มีเป็นพื้นฐานแต่คนเราทุกคนนั้นจ้องมีอะไรขัดข้องขึ้นในจิตใจไว้บ่อยๆไว้เสมอเพื่อไม่ให้สิ่งนั้นมีให้เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์ไม่ควรมีจึงควรฝึกจิตของตนไว้อังสุพิโตโหมิขอให้เรามีความสุขนิทุโหโมีใหญมีความทุกข แล้วก็พิจารณาเรื่อยๆไว้บ่อยๆทําไว้บ่อยๆนึกถึงความสุขไว้เป็นอารมณ์เมื่อนึกถึงความสุขเป็นอารมณ์ก็คือเพ่งสุขนั่นเองเป็นอารมณ์ก็สุขนั้นเป็นองค์หนึ่งของฌานเพราะฉะนั้นเมื่อเพี้ยนสุขอยู่นานๆไปความสุขก็ทําให้จิตใจนิ่งและเกิดความสุขนั้นจิตก็อิ่มอยู่กับสุขนั้นจึงเป็นฌานได้ดังนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ได้แนะนําเรื่อง มวิหารสี่ในข้อแรกคือเมตตาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของพุทธสารกระชนเราจะทำบำเพ็ญข้อนี้ไว้เพื่อให้ทำสูงขึ้นไปก็ได้เราจะรักษาทำข้อนี้ให้เป็นวิหารธรรมเพื่อจะได้เป็นแม่ที่ดีเป็นพ่อที่ดีเป็นครูอาจารย์ที่ดีเป็นพระที่ดีที่น่าเคารพน่าถือตลอดจนเป็นผู้นำที่ดีเป็นต้น นั้นต่อนี้ไปพึงตั้งจิตตั้งใจบวกรวมจิตของตนเองจเจริญภาวนาในเมตตาให้กับตนเองลองที่ยังไม่เคยเลยก็ลองฝึกหัดพอสมควรแล้วก็จะไปอบรมจิตธรรมกรรมฐานที่เคยปฏิบัติมาแล้วอีกก็ได้ส่วนเมตตาก็เพื่อปูกวังให้เป็นพื้นฐานหรือตัางหากว่า คุณธรรมที่เราฝึกเมตตาเนี้เกิดสูงกว่าที่ฝึกมาแล้วและง่ายกว่าฝึกไปแล้วก็เจริญเมตตาทำไว้เป็นวิหารธรรมก็จะเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งต่อ น, นี้ไปพึงตั้งใจอบรมจิตใจของตนเองให้สงบให้มีเมตตาตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป